หรือมีสติปัญญาดีแต่ไปเกิดเป็นคนป่าอยู่ในการละทวีปก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักปราศในวงการศิลปศาสตร์ทั้งหลายมีความรู้ความสามารถดีแต่ไปอยู่ในถิ่นหรือในชุมชนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความรู้ความสามารถนั้นเข้ากับเขาไม่ได้ถูกเหยียดยามบีบคั้นอยู่อย่างเดือดร้อนคนหนึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนดี แต่ไปอยู่ในตำแหน่งฐานะ ห, หน้าที่ที่ไม่เข้ากับส่วนดีที่ตัวมีกลายเป็นตัวขัด่วงกิจการของส่วนรวมนั้นและตนเองก็ไม่เป็นสุขดังนี้เป็นต้นกรณีหลังนี้อาจมีประโยค์วิบัติซ้ำด้วยทั้งนี้คติสมบัติและคติวิบัติอัถกถาอธิบายเฉพาะในแง่ของภพภูมิที่ไปเกิดคู่ที่2 อ, อุปธิสมบัติกับอุปธิวิบัติ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 ทำสิ่งที่ดีงามเมื่อเกิดอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองดีสังคมดียกย่องเชิดชูคนดีคนผู้นั้นก็มีเกียตรติมีความเจริญหรือบ้านเมืองสงบสุขผู้มีสติปัญญาเป็นนักปราดก็มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏและให้เป็นประโยชน์หรือในยุคสมัยหนึ่งคนนิยมกาบกรรรกันมากคนเก่งกาบกรอนก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูการลาวิบัต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 คราวทุกคราวเสียก็ไม่คุณมัวคลุ้มคลั่งปล่อยตัวถล่มลงในทางชั่วทางเสียค่อยผ่อนผันแก้ไขเหตุการ์ด้วยสติปัญญาเมื่ อ, อยังต้องการโลกธรรมฝ่ายดีคือที่ชื่นชอบเป็นอิทธารณมก็กำหนดสมบัติวิบัติที่เป็นกำลังหรือเป็นจุดอ่อนของตนและจัดสรรเลือกองค์ประกอบฝ่ายสมบัติที่จัดเลือกได้หลีกเว้นวิบัติเสีย